และเน้นไปที่หลักคือเรื่องของความทุกข์เหตุเกิดของทุกข์ความดับของทุกข์และครอบและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งทุกข์แต่เมื่อในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วประสงค์จแนกแสดงโดยนิยต่างๆบุคคลอาจจะเริ่มในจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แต่เมื่อกล่าวถึงผลในการประพฤติปฏิบัติแล้ว ก็จะออกมาในรูปของความสงบระงับดับไปแห่งความทุกข์แต่เพราะในที่นี้เป็นการพูดถึงกรณีของชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาแล้วในโลกถูกข้อมล้อมด้วยความทุกข์นานับประการไอ้ทรงจำแนกชี้แจงความทุกข์เอาไว้ในฐานะนั้นๆเป็นนันมากจะได้กล่าวถึงความทุกข์ อีกบางประกาศประกาศหนึ่งเรียกว่าวิบา ก, กทุกข์คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากวิบากแห่งกรรมคาว่าวิบากแห่งกรรมนั้นคือเป็นผลของกรรมผลของกรรมมีทั้งผลที่เป็นอดีตไกลอดีตใกล้แต่ผลที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนจากนั้นคืออดีตที่ใกล้ชิดมาก ผลบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะคือผลที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์มีอาการแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าวร้อนด้วยประการต่างๆนั้นมีส่วนหนึ่งที่บุคคลไม่สามารถสืบสาวไปถึงต้นตอของเหตุนั้นได้ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรทำให้การวินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆของคนในโลกเกิดความสับสนมาตั้งแต่ไหนแต่ไราปา ท่นนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลผู้นั้นว่าจะวินิจฉัยได้ดึกซึ้งขนาดไหนแต่จะถามอาการวินิจฉัยตัดสินเหล่านั้นมีความถูกต้องหรือไม่เราก็ต้องตอบว่าถูกต้องในชั้นนั้นๆอย่างในกรณีของความทุกข์ที่เกิดขึ้นบางอย่างบุคคลกลุ่มหนึ่งอาจจะวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นเรื่องของชะตากรรม ่ อ, อาจจะเป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของฟ้าดินเรื่องของพรหมลิขิตเรื่องของพระเจ้าบันดาลให้เป็นไปเป็นต้นแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประกอบด้วยกรรมะวิปากยานมีประาญาอย่างรู้ถึงกรรมและวิปากแห่งกรรมญานเหล่านี้เป็นผลที่เกิดมาจากการสัจสรุของพระองค์ แทนที่จะวิเคราะห์ไปแค่ผิวเผินข้างนอกพอจงเจาะลงไปถึงส่วนลึกจริงๆแท้จริงแล้วเป็นผลของกรรมซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้กระทำไว้่วนจะทำไว้ในอดีตไกลยังไงอดีตใกล้ยังไงก็เป็นเรื่องสมควรแก่กรณีดังนั้นเช่นทรงจำแนกแสดงถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็ค่ขยได้ป่วย าการเจ็บไข้ในป่วยของบุคคลบางคนเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองจะใช้จ่ายไปเพื่อการรักษาเท่าไรก็ได้แต่ว่าจริงแล้วก็ไม่หายทรงจำแนกให้เห็นว่าโรคที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่สามประเภทประเภทแรกคือต้องอาจจะรักษาหรือไม่รักษาก็หาย เป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากความแปรปรวนของอากาศหรือว่าการใช้เรียบบทอะไรมากเกินไปเมื่อได้พักผ่อนไปพอสมควรโรคเหล่านั้นก็จะหายไปเองโรคบางอย่างต้องรักษาจึงหายทำให้รักษาไม่หายเรามีเชื่อโรคมีสมุตรฐานของโรคเกิดขึ้นและสมุตรฐานของโรคเหล่านั้นก็เป็นสมุทฐานปัจจุบัน เห็นไปรับเชื้ออะไรมาก็ต้องกำจัดเชื้อเหล่านั้นออกไปซสียก่อนแลโรคก็จะหายได้ถ้าไม่รักษาก็อาจจะตายได้เพราะโรคเหล่านั้นจะลุกลามทําลายสุขภาพร่างกายของบุคคลให้เสื่อมโทรมลงไปโดยดําดับแต่มีโรคอีกชนิดหนึ่งที่ทรงใช้คําว่าจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายทรงชี้ไปที่โรคซึ่งเกิดแต่วิบากแห่งกรรม โรคประเภทนี้ในสมัยพุทธกาลบางท่านก็มาให้ผลในสมัยที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วบางท่านกว่า จ, จะอยู่ในวัยหนุม่มวัยสาวแต่ประสบกับโรคซึ่งเกิดแห่งวิบากกรรมเข้ามาเบียดเบียนมีทรัพย์สินเงินทองมากเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายพระเจ้าก็ทรงจำแนกที่แจงเหตุว่านี้เป็นเรื่องของวิบากกรรม การแก้ในเชิงของวิบากกรรมทรงแสดงไว้หลายนายิยามแต่นิยามที่ออกจะสาคัญแต่เราก็ใช้ไม่ได้ในปัจจุบันก็คือไม่สร้างเหตุที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาเพราะทำทั้งหลายนั้นรวนแล้วแต่เกิดมาจากเหตุผลอะไรที่บุคคลไม่ต้องการก็ไม่สร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลเหล่านั้นผลก็ไม่เกิด แต่พอดีเรื่องนี้เป็นเรื่องในอดีตคือได้สร้างเหตุไปแล้วเมื่อถึงคราวผลจะเกิดแก่ก็ต้องเกิดใครจะห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เพราะห้ามกระแสกรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ห้ามไม่ได้ข้อนี้ปรากฏในที่ต่งตางๆเป็นอันมากว่าผลแห่งวิบากกรรมที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเองหรือเกิเกิดขึ้นแก่พระอราหันต์หรือเกิดขึ้นแก่บุคคลในคราวนั้น พระุเจ้าสูงรู้เห็นทุกอย่างแต่ทรงแก้ไม่ได้ทรงทำได้เฉพาะในกรณีของการบันเทาให้เท่านั้นย่าในคราวหนึ่งทรงรู้วิบากกรรมของพระกลุ่มหนึ่งว่าได้สะสมวิบากกรรมในการฆ่าสัตว์เไว้มากในชาติปัจจุบันนี้ก็นิยมชมชอบในการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์ถ้าไม่มีความคิดความอ่านรุนแรง แล้วจะฆ่าอะไรหรือฆ่าใครก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องหน้าหวาดกลัวและทรงรู้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ต่อไปจะฆ่าตัวเองตายเพราะเคยฆ่ามาหลายชาติแล้วแล้วองค์จะไปหยุดกระแสกรรมเช่นนั้นก็หยุดไม่ได้ก็ทรงใช้วิธีบันเทาแลยวเรียกท่านเหล่านั้นทั้งหมดมาสอนอาสุภกรรมฐาน จะมองเห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกโดยประการต่างๆย่อยมาจากผงขนและฝันหนังเป็นต้นท่านเหล่านั้นเมื่อมองเห็นความปฏิกูลของร่างกายตนเอง mm. ก็เกิดอาการขยะแขยงรังเกยียจต่อร่างกายรังเกยียจเลยเถิดไปจนถึงรังเกยียจทั้งกายตนและกายผู้คนอื่นและไม่กล้าแม้แต่จะจับต้องร่างกาย จนถึงกับทนอยู่ไม่ได้จ้างให้คนฆ่าตนวเองให้ตายบ้างหรือวันคนอื่นให้ช่วยฆ่าบ้างหรือบางทีก็ช่วยกันฆ่าเจอคนหนึ่งแทงอีกคนหนึงนหนง่งคนหนึ่งแทงคนหนึ่งเพื่อตายพร้อมกันรู้เจ้าทรงแสดงประธรรมเทศนาแล้วก็หลบเข้าไปอยู่ในป่าเรียกว่าหลีกเล่นใครไปพบก็ไม่ได้ พอเสร็จเรื่องเหล่านั้นพระองค์ก็เสด็จออกไปแต่ตั้งตั้งที่ทรงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราต้องเรียกประชุมพระสงฆ์สอบถามพระนระินทร์ก็กราบทูลทรงทราบประพระฆ่ากันตายกล้าตัวเองบ้างจากคนอื่นข้างบ้างในสุก็ทรงสแสดงอานาปานาสติกรมฐ า, านหรือสแสดงกรรมฐ า, านใไป แต่กรรมฐานนี้เป็นการแสดงเฉพาะคนที่ไม่มีวิบากกรรมนั้นเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าท่านมีวิบากกรรมเช่นี่ว่าอยู่ฟังอนาปนานสติท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่พอฟังให้รังเกียจกายเพราะท่านเคยรังเกียจกายมาแล้วท่านก็ตายด้วยอารมณ์ของกรรมฐานแม้จะฆ่าตัวตายก็เป็นการตายด้วยอารมณ์ของกรรมฐานเกี่นสการถึงกรรมฐานอยู่ ก็ทำไม่ปิดประตูอบายได้คือแทนที่จะตกนรกเพราะฆ่าตัวตายแต่พระใจยอยู่ด้วยอารมณ์กรรมฐ า, านเป็นการช่วยผ่อนคลายความทุกข์ให้ได้เท่านั้นหรือสรุปว่าช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่ไม่ใช่ถึงกับไปตัดกระแสกรรมได้เพราะงั้นเมื่อไปเจอกับความทุกข์ในลักษณะเป็นผลของกรรมที่เรียกว่าวิปากกุก แตก่ก็เชื่อมโยงได้ว่าที่จริงมันเป็นเหตุในคราวนั้นแล้วเกิดผลในคราวนี้เชื่อมโยงได้ก็พร้อมที่จะชดใช้เพราะเป็นหนี้ที่จะต้องชดใช้โดยบรร ญ, ญาติคนที่เป็นหนี้นั้นจะต้องไม่เบีย้ยหนี้เมื่อเจ้าของก็ทวงก็ต้องชดใช้เข้าไปนี่ก็คือหลักที่ท่งสอนใน บ, บุคคลพิจารณาในแง่ของ กรรมสักกาตาศัทธาอย่างที่สุดกันไอพินหะปัจเจเวกันนะจะต้องนํามาพิจารณาในทุกๆข้อที่สวดไปเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิบมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมบันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นแล้วในกรณีที่ให้เกิดความทุกข์นั้น ในชั้นธรรมดาสามัญเราก็มองไปเฉพาะที่กรรมชั่วเท่านั้นเองเมื่อเชื่อมโยงได้ก็ถือว่าเอเป็นกรรมในคราวนั้นเราทำเอาไว้ชดใช้เชื่อจกักถีก็ดีเมื่อยจะต้องไม่ไปเดือดร้อนก็ททำใจให้สงบโปรงใจพร้อมที่จะชดใช้จะไม่ดิ้นรนเดือดร้อนจนเสียเงินเสียทองมากเกินเพศแลก็มองเชื่อมโยงระหว่างผลกับเหตุได้ ไปเชื่อไปจากผลแล้วก็ดึง้าไปหาเหตุได้ว่ามันเกิดขึ้นจากวิบากครับแต่ว่าบางอย่างไปเชื่อมไม่ได้เพราะเป็นเหตุอดีตไอเหตุอดีตเป็นเรื่องของพุทธญาณคือเป็นญาณระดับของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเชื่อมอะไรกับอะไรไมนได้ยานการณีนี้จำเป็นจะต้องอาศัยหลัก ของแตาถากระตะปูติศธาคือเชื่อพระยานของพระพุทธเจ้าการสัจสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องราวต่างๆที่ทรงแสดงไว้นั้นมีนิทานบุคคลเป็นเครื่องประกอบชี้เห็นเพราะโรคบางอย่างรักษายอย่างไรก็ไม่หายแต่เมื่อหมดวิบากกรรมมันก็หายกันมันเอง เพราะหน้าที่ในช่วงที่กำลังเสวยผลกรรมเหล่านี้อยู่ก็ขอให้พยายามทำความดีก็แล้วกันไม่จะไปเพิ่มกำช่วยมากยิ่งขึ้นตำนองใกล้ๆกับว่าบุคคลได้เก็บสะสมสารพิษเอาไว้ในร่างกายมากถึงคราวที่สารพิษตัวนั้นแกจะแสดงอิทธิฤทธิออกมาแล้ว ถ้าในชีวิตประจำวันเราไม่เพิ่มสารพิษในลั ก, ลกษณะเดียวกันหรือลักษณะที่จะเกื้อกูลกันเข้าไปโอกาสที่จะบำบัดที่จะหมดสารพิษเห่านั้นก็มีได้กลายขึ้นลักษณะของทุกข์ที่เป็นวิบากกรรมก็เป็นเช่นนั้นมันไม่ถึงกับสะดอะเคราะห์แก้กรรมเพราะสะดอะเคราะ์แก้กรรมนั้นไม่ใช่วิธีการแบบพุ อาจจะเป็นวิธีการอ้อมค้อมช่วยเกิดกำลังใจที่จะผเผชิญหน้าปัญหาของวิปากระทุกเท่านั้นเองเพื่อการละ า, านที่สงชายนั้นสงชัยในกรณีเน้นให้คนทําความดีในขณะนั้นเรื่องที่เป็นผลเกิดขึ้นที่ตนกําลังสวยอยู่ในขณะนั้นก็ปล่อยเว้นผลไปเแราะเมื่อแกมีเหตุมาแล้วแกก็ต้องออกผลอย่างนั้น ย่งเชตนพระนางโรหิตนีเป็นโรคเรือนทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเจ้าหญิงอย่างอยู่ในวัยสาวพระสรงเจ้าเห็นว่าเป็นผลจากวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากแรงริษยาต่อหญิงร่วมสามีในชาติฟังก่อนเจ้าก็ห้ามใจเรื่องริษยาไว้ไม่ได้รุนแรงจนถึงก็ออกมาเป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายต่อหญิงร่วมสามีเอาขวุยหมามุยไปโรยไว้บนที่นอนของหญิงร่วมสามี เธอไปนอนข้าวก็คันแล้วก็เกาจนเกิดเป็นบาดแผลูุของไปประสบความทุกข์ทรมานจนถึงกัตายไปวิบากกรรมเหล่านั้นจึงส่งผลที่จึงก็เรียกว่าเศษของวิบากกรรมก็ทาให้นางต้องเป็นโูกเรื้อนเป็นพระกนิษฐภัินีของพระพุทธเจ้าเองเป็นลูกของพระเจ้าอาแต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไปได้ แล้วก็เป็นน้องสาวของพระอนุรุตซึ่งเป็นพระอาารัจฉริยะทิพจกักษุพระอนุตเองท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของวิบากกรรมพระเจ้าเพียงแต่รับสั่งให้นางบำเพ็ญความดีซึ่งก็เหมือนกับเป็นการสร้างคือเป็นการใส่น้ําที่สะอาดลงไปในภาชนะน้าที่สกปรกมันจะมีส่วนช่วยสลายไปด้วยดับ ในที่สุดนางก็หมดวิบากกับโรคเหล่านั้นก็หายไปเองโดยไม่ใช่ไปแก้ไขที่ตัวโรคจะแก้ไขยังไงก็รักษาไม่ได้ดังนั้นปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลอาจจะออกมาในรูปของการพราดพรากความสูญเสียหรือแม้แต่การล้มตายโรคไข้ไข้เจ็บก็ตามคือสรุปแล้วก็ ก็พความทุกข์ที่กล่าวแล้วนั่นเองส่วนหนึ่งอันนั้นอาจจะเป็นวิบากกรรมไกลที่ทําให้ต้องเป็นอย่างนั้นจ็บประสบความทุกข์ประการพลาดๆอย่างในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจะรับสั่งถ้าในกรณีเช่นนี้ก็จะรับสั่งว่าเรื่องเช่นนี้เคยมีมาแล้วที่เธอประสบปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่เคยมีมาแล้วหลายๆครั้ง เพราะเป็นวิบากกรรมเช่นนั้นเช่นั้นก็จะทรงชี้ให้ดูดังนั้นในกรณีเช่นนี้ถ้าหากว่าจับหลักพระพุทธญาณไม่ได้บุคคลก็สามารถส ง, งบใจได้แล้วก็ชดใช้กรรมไปพิจารณาเห็นตามกฎของกรรมพอพิจารณาเห็นตามกฎของกรรมได้เช่นนี้มันก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งๆที่มันเกิดไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ก็นํามากลับใช้เป็นประโยชน์ได้ เความทุกข์ในลักษณะนั้นมล้ก็มีลักษณะของเวทนาคื อ, อมีการแผดเผาก่อให้เกิดความเล้ารอนเวทนานั้นก็คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติตามดูไปที่ตัวเวทนาซึ่งกำลังเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเพราะโรคภัยไข้เจ็บหรือเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ตามเราก็ปรับใช้ขึ้นมา อ, อีกชั้นหนึ่ง โดยมองของในแนวที่ทำใจสงบเสวทุกเวทนาอยู่ก็รู้ว่าขณะ น, นี้ทุกเวทนากำลังเกิดขึ้นแค่เราอยู่แล้วเมื่อดูที่ตัวเวทนาเหล่านั้นจะเห็นว่าเวทนาแกไม่ได้นิ่งแกเปลี่ยนบางทีก็เสียดแทงรุนแรงแ้วกหนกินจนถึงหน้านิว้วคิ้วกระหมดดิ้นรนกระวนกระวายไปแต่เสร็จแล้วก็เริ่มสงบ แสดองอาการเสียดแทงเริ่มลดลงไปในเชิงของทุกเวทนาลดแต่ในเชิงของการพิจารณาแนวธรรมะเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายโดยตอนนี้ก็ดูเฉพาะเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นๆลงๆมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย แสดงว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของวิบากกรรมในอดีตแต่ที่เสียดเสียแทงรุนแรงขึ้นมานั้นก็เป็นเรื่องที่ไปได้เชื่อเพิ่มขึ้นในปัจจุบันแล้วกลายเป็นกําลังสองขึ้นมาการเสียแทงก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่เพราะแกะตกอยู่ในสภาพของอนิจจตาคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแกก็เปลี่ยนกลับไปกลับมา ในชั้นต่อไปก็พิจารณาเจาะลึกลงไปได้อีกชั้นหนึ่งมองความทุกข์นั้นเหมือนกับลูกศรที่กำทราบระยยพิษในกรณีที่เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นก็มองว่าเหมือนกับลูกศรที่กำทราบระยะพิษแทงใครมันก็ปวดอย่างนั้นแหละไม่ได้ปวดเฉพาะเราแต่ว่าเวลาแกแทงใครแกก็สแสดงสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้น อันความทุกข์ที่กําลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ที่จริงไม่ได้มีเฉพาะเราเท่านะั้นมีคนเป็นมากที่กําลังประสบทุกข์แล้วทุกข์มากกว่าทุกข์รุงแรงกว่าแสบเผ็ดมากกว่านอกจากจะเป็นเรื่องของปัจจุบันแล้วยังเป็นเรื่องของอดีตหรือบางทีผสมผสานกันทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็แถมคนแถมธรรมชาติ เข้ามาผสมผสานเข้าไปจนกลายเป็นลักษณะเคราะไร้ายไข้รุมก็มีบุคคลก็ทนต่อความทุกข์เหล่านั้นได้แล้วก็มองดูความเปลี่ยนแปลงในตัวความทุกข์อีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าไอ้ตัวทุกข์ที่แผดเผาเองแกก็เปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกับลูกศรที่กำลังราบยาพิษก็ขึ้นอยู่กับว่ยาพิษมากหรือน้อยแทนก็ส่วนสำคัญหรือไม่ส่วนสำคัญแผลลึกหรือแผลตื้นไปต้น อาการเสียใจมันก็ไม่เหมือนกันแล้วมองตัวสุขให้เห็นว่าแท้ที่จริงก็เป็นเรื่องของความทุกขระดับหนึ่งเพียงแต่มันลดลงไปเท่านั้นเองเพราะนั้นพอถึงได้รับความสุขก็มองว่าที่จริงมันก็เป็นทุกข์ชนิดหนึ่งเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วเวทนาทั้งหลายนั้นก็เป็นทุกข์ ก็ขันทั้งห้าเป็นทุกการที่บุคคลรู้สึกว่าสุขเป็นเพียงความทุกข์มันลดลงเท่านั้นจึงไม่หลงเพลิดเพลดดินดีในตัวความสุขตอนนั้นแม้ในตัวของอุเบกขาเองก็มองเห็นเีลักษณะหักเขียดนิดๆคล้ายๆกับเข็มต้องตาช่างที่ไม่มีอะไรวางอยู่แก่ก็ตรง แต่ในขณะเดียวกันพอมีอะไรตกไปแกหักไปท้ายหักไปขวาอยู่ได้เลยพออะไรตกแกก็หักไปอีกด้านหนึ่งพอสิ่งนั้นหายไปแกก็หักอีกเดียด้านหนึ่งพราะแม้แต่อุเบกขาเองก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรจะเบี่ยงไปเบี่ยงมาอยู่ได้ตลอดเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดจึงเป็นกลายเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ปัญญา แทนที่จะสยบติดจะเดือดร้อนจะซ้ำเติมตัวเองให้เกิดความทุกข์มากยิ่งขึ้นก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมีพระยาบุคคลเป็นนั้นมากที่ตั้นได้บรรลุมรคขนเพราะอาศัยโรคที่เกิดแต่กรรมยานการณีของพระเทรารูปหนึ่ง ท่านเจ็บ่ายได้ป่วยจนเปื่อยหน้าผุพังไปหมดเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วก็ทรงสอนให้พิจารนากายเพื่อท่านมองดูกายของท่นานเองดูเวทนาที่กำลังโเเวยอยู่กันในในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามมีสติระ ล, ลึกรู้ทันต่อเวทนาที่บังเกิดขึ้น มองเห็นทั้งความไม่เที่ยงทั้งความเป็นทุกข์ทั้งความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงอะไรท่านมองกลับไปกระปาก็เห็นว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเพราะการกับโรคที่เสียแทงท่านท่านก็ทราบจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นวิากกรรมแล้วในถึงคราวที่ร่างกายมันจะต้องไปนะ อย่างที่ทงสอนให้พิจารณาถึงร่างกายในชั้นในกรณีเช่นนี้ว่าร่างกายนี้ไม่นานจากล้มลงจากทอดสรีระลงเหนือแผ่นดิตนี้พอวิญญาณออกไปจากร่างแล้วมันก็ไม่มีค่าอะไรมันจะเหมือนทอดไม้ที่ คนก็ทิ้งไว้เอาก็จิงท่อนไม้มันก็มีค่าในตัวของมันเองแต่ร่างกายที่แตกทำลายไปก็ไม่มีค่าอะไรความคิดในชั้นนี้การมองสังขารธรรมให้เห็นความจริงในชั้นนี้ได้ในส่วนของศีลธรรมจัญยาคือขั้นของการดำรงชีวิตประจาวันไม่ถึงกับเป็นเรื่องของกรรมฐาน บุคคลก็มองกายจากจุดเกิดแล้วไปหาจุดดับระวังจุดเกิดกับจุดดับไม่รู้ว่าห่างกันหรือใกล้กันไม่มีใครรู้รุะคนเกิดถึงตายก็มีเกิดถึงอยู่ตั้งนานตั้งร้อยปีร้อยยี่สิบปีก็มีแต่ในจุดทั้งกระดับท่านระวังจุดเกิดกับจุดดับจุดเกิดกับจุดตายเป็นของเที่ยงแท้นแน่นอนที่เมื่อเกิดมาแล้วจะต้องดับ แล้วก็ไม่สนใจในจุดดับเหล่านั้นว่าจะดับเมื่อไหรแต่มองไปที่ว่าจะดับอย่างไรคือจะตายอย่างไรตายอย่างดีตายอย่างมีชื่อมีคุณความดีประดับโลกหรือจะตายอย่างถูกสาปทรงหรือตายหายไปเลยแบบชีวิตตอนนี้ก็มีแบบให้เลือกอยู่ตรงทุกสมัยไม่ว่าในยุคสมัยใด ผู้มีปัญญาจะต้องพินิษฐ์พิจารณาแล้วว่าจะหาประโยชน์อะไรจากร่างกายซึ่งจะต้องแตกดับไปเช่นนี้พระเจ้าทรงสอนว่าอีกทุกระดับจะให้พยายามเก็บสะสมความดีเอาไว้ให้ปลุกฝังความพอใจในบุญและให้พยายามทำบุญบ่อยๆเพราะการสั่งสมไว้ซึ่งบุญนั้นจะนำความสุขมาให้เพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ทางในโลกนี้และในโลกกิดแล้วก็มองขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจเจริญการมฐานคือสติระลึกอยู่สติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ที่ตัวเวทนาดังกล่าวนี่คือวิธีการของพระพุทธเจ้าว่าทุกอย่างนั้นต้องได้ประโยชน์หมดเราจะพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาใช้แล้วก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นไม่ได้กาสอนในแนวนี้ ที่จริงพระเจ้าก็สอนมาตั้งแต่พระธรรมเทศนาการแรกมีทางดำเนินสาหรับผู้บวชมุ่งพระนิพพานล้วก็สับสนอยู่สองทางคือทางที่หย่อนเกินไปตึงเกินไปพระเจ้าก็ปรับไว้อยู่ตรงกลางคือไม่ตึงไม่หย่อนแลวสิ่งที่นามาปรับก็เกี่ยวข้องกันอยู่อย่างวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายแทนที่จะไปมัวเมาหมกมุ่น จึงทำให้ห่างนิพพานไปพระเจ้าก็ทรงสอนให้มองพวกวัตถุกรามเหล่านั้นในแง่ของความปฏิกูลต่างเพื่อถ่ายถอนความกำหนัดรักใคร่ห ย, ยินดีออกไปนแนวที่ตึงคือความเพียรพยายามที่รุนแรงนั้นก็ปรับมาให้อยู่ในจุดใช้พอจุดที่ใช้งานได้แล้วคงก็ใช้ความเพียรเหมือนกันเป็นความเพียรทั้งทางกายทั้งทางกิตแต่ไม่ตึงอย่างนั้น ไม่สร้างความทุกข์ทรม า, านของตนอย่างนั้นในชั้นย่อนก็ยังเกี่ยวข้องกับกรรมอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ถึงกระหมกมุ่นวุ่นวายจนไม่ยอมลืมหูลืมตาอะไรเลยก็ยังเกี่ยวข้องกับวัตถุกรรมอยู่ในชั้นสินธรรมจรยาก็เกี่ยวข้องกับวัตถุการมเรียบร้อยแต่อย่าให้ทําผิดเพราะวัตถุกรรมเหล่านั้นเป็นเหตุนี่ก็เริ่มปิดกระแสของความเดือดร้อนขึ้นมาโดยดัง่งแล้วก็เริ่มนํามาพิจารณา จะถ่ายถอนความกำหนดรักใคร่ยินดีแล้วก็เดินขึ้นมายานถึงจุดของการมาฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาก็เอาสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดานั้นเองมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาดังนั้นเมื่อมองจากแนวของพระพุทธเจ้าวิวปลากระทุกข์คือความทุกข์ที่เป็นวิบากของกรรมก็นำ ม, มาใช้ประโยชน์ได้ทุกจุดตามสมควรแก่กําลังสติปัญญาของบุคคลเหล่านั้น ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป